มัดบรรไว้ที่นิ้วมือของเจ้าเขียนบันไว้บนบนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้าและพระธรรมบทที่เอ่อพระธรรมบทข้อที่บทที่สองข้อที่มทีข้อสามข้อถึงข้อสิบ ส, ส, บสี่บทที่สามข้อสิบสี่ข้อสิบเจ็ดว่าอย่างนี้แต่ฝ่ายท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ท่านเรียนรู้แล้วและได้เชื่ออย่างมั่นคง ท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้รู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านให้ถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทาการดีทุกอย่างขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ก็ถือโอกาสสวัสดีวันแม่ไปด้วยเลยนะคะเพิ่งผ่านวันแม่มาเพียงแค่สองวันเท่านั้นเองนะค ะ, ะแต่วันนี้ไม่ได้เทศนาเรื่องแม่นะคะแต่จะเทศนาเรื่องเกี่ยวกับพระวจนะคำของพระเจ้าในอ่า ทั้งนี้เนี่ยขออนุญาตใช้หัวข้อเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า apples of my eye คำวลีนี้นะคะเป็นวลีเก่าแก่ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายถึงบางสิ่งบางอย่างหรือคนบางคนนะคะที่เราให้ความให้ความสำคัญให้ความรัก จริงๆในภาษาไทยเนี่ยก็คงเปรียบเหมือนกับในพระคัมภีร์ใช้ว่าเหมือนแก้วตาหรือลูกตาของเรานะคะจริงแล้วเนี่ยข้าพเจ้าเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ดวงตาของเราจะมีส่วนที่เป็นตาขาวแล้วก็ตาดำใช่ไหมคะตาขาวเนี่ยมือเราเนี่ยพอจะแตะได้แต่ถ้าเป็นตาดำเนี่ยปกติเวลาเราใส่ข้าพเจ้าใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยจะครอบอยู่ที่ตาดําแล้วเราสามารถแตะลงไปได้เพราะว่าเราแตะผ่าน เลนเราไม่ได้ใช้นิ้วของเราแตะไปที่ตาดําจริงๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงลูกตาดำเนี่ยหรือลูกตาของเรานะคะตรงส่วนที่เป็นตาดําคือส่วนที่สําคัญมากและเป็นส่วนที่ไวต่อความรู้สึกฉันแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษที่เขาเปรียบแอปเปิลเหมือนกับตรงลูกตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแอปเปิลเพราะว่ามันเป็นกลมๆเหมือนเป็นลูกเป็นส่วนที่สําคัญเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของดวงตาฉันแล้วเนี่ยเวลาที่เราเปรียบเทียบใครสักคน หรือของบางอย่างเป็นเหมือน a อ p l e of ออ Eye อเนี่ยก็เป็นเหมือนคนนั้นเนี่ยคือคนที่มีความสำคัญหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของเราถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์ก็คือเป็นที่สุดจริงๆแล้วมนุษย์คือที่สุดแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ตัดว่าดีนะัก และเมื่อมนุษย์ทำบาปและก็ไม่ได้เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องขับมนุษย์ออกจากสวนเอเดนแต่ความรักของพระเจ้าก็ไม่ได้สิ้นสุดรงฆ่าสัตว์แล้วก็เอาหนังของเขาทำเป็นเสื้อผ้าให้มนุษย์ได้สงสัยและความรักและที่สุดแห่งความรักของพระเจ้าคือการที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดบาปของเราเั้นแล้วสำหรับพระเจ้า มนุษย์ก็เป็นเหมือนกับแก้วตาของพระเจ้าและมนุษย์เมื่อมนุษย์คือแก้วตาของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้ารักมากพระเจ้าก็อยากที่จะส ง, งวนชีวิตของมนุษย์และปรารถนาอยากที่จะให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยดาเนินอย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดชีวิตของมนุษยาชาติตั้งแต่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมา พระเจ้าพยายามมีความตั้งใจอยากที่จะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในกรอบอยู่ในอยู่ในส่วนที่หยุดอยู่ในมีชีวิตอยู่ตามที่พระเจ้าประทานาหรือสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจเช่นแล้วเนี่ยพระเจ้าประรานาอยากให้มนุษย์ดำรงชีวิตถูกต้องและเหมาะสมพระเจ้าจึงสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งชีวิตคริสเตียน ฉะนั้นเนี่ยสำหรับมนุษย์พระวจะนะคำของพระเจ้าจึงต้องเป็นเหมือนแก้วตาของเราในพระคัมภีร์มีวลีคำว่า apple soft my eye เนี่ยอยู่หลายตอนในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคือจะปรากฏอยู่ในฉบับที่เป็นฉบับเก่าแก่ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ k i n งเจ m e s และสุสภาษิตบทที่เจข้อที่สองเนี่ยก็บัญญัติ ก็มีคำนี้นะคะว่าจงรักษาบัญญัติของเราและดำรงชีวิตอยู่จงรักษาคำสอนของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้าถ้ากลับไปดูในฉบับ King James ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า the apples of e y e ททำไมพระคัมภีร์ถึงกำชับและเน้นย้ำว่าพระบัญญัติของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าเนี่ยให้รักษาไว้เป็นเหมือนกับแก้วตา ของมนุษย์เราจะพิจนารณาด้วยกันประการแรกเพราะว่าเราจะได้เห็นชีวิตของเราเหมือนกับที่พระเจ้าเห็นบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราและสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้ารักษาบัญญัติของเราและดํารงชีวิตอยู่จงรักษาคำของเราอย่างกับแก้วตาของเจ้าพระเจ้าคือพระผู้สร้างเราคือผู้ถูกสร้าง เราจะรู้เหตุผลที่พระองค์ทรงสร้างเราและดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัตุประสงค์ที่พระเจ้าสร้างเราเราจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตที่ติดอยู่กับพระคำของพระเจ้าหรือกับถ้อยคำของพระเจ้าสุภา ษ, ษิตบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่สองอยู่ในบริบทที่มนุษย์เนี่ยอยู่ท่ามกลางความบาปมากมายและการล่อลวงฉะนั้นมนุษย์จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และปลอดภัยได้อย่างไร ซารมモนจึงกล่าวในพระธรรมตอนนี้ในสุภาษิตบทที่7ข้อที่1ถึงข้อที่สองว่าสิ่งเดียวและวิธีเดียวที่จะทำให้มนุษย์รอดปลอดภัยจากเล่กลอุบายหรือความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการรักษาบัญญัติของพระเจ้าและในในบทที่ในข้อที่สองเนี่ยบอกว่ารักษาบัญญัติและดำรงชีวิตอยู่ พระเจ้ามนุษย์พระพระคาของพระเจ้าพระคาของพระเจ้าก็คือแก้วตาของพระเจ้าและมนุษย์เนี่ยจะมีจะมีวิธีการจะมองเห็นวิธีทางที่เหมาะสมและถูกต้องแบบพระเจ้าด้วยมุมมองที่มาจากพระเจ้าวิธีเดียวก็คือการอยู่ในพระคาของพระองค์เพราะการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าหรือการมีชีวิตอยู่ในพระคาของพระเจ้าเราก็จะสวมมุมมอง แบบเดียว ก, กันกับพระเจ้าและเราจะสวมค่านิยมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราด้วยในข้อที่สามเนี่ยบอกว่าให้มัดเอาไว้ที่นิ้วของเจ้าไม่พอเขียนจารึกเอาไว้ที่ใจของเจ้าด้วยฉันพระคำของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้กำชับเพียงแค่ให้รักษาหรือเก็บพระคำของพระเจ้าเอาไว้เท่านั้นแต่พระองค์บอกว่ามัดมันไว้ที่นิ้วมือและจารึกเขียนมันเอาไว้ที่หัวใจของเจ้า เมื่อเราใช้สายตาและมุมมองที่มาจากพระเจ้ามันจะเป็นตัวกาหนดวิธีดําเนินชีวิตของเรากําหนดวิธีคิดจิตใจของเราฉันแล้วเนี่ยเมื่อเราสวมพระคําของพระเจ้าให้เป็นเหมือนแก้วตาของเราชีวิตที่เรามองเห็นเราจะมองชีวิตดาวเหมือนกับที่พระเจ้ามองและเมื่อเรามองชีวิตแบบนั้นวิธีการที่เราจะประพฤติและปฏิบัติและใจของเราก็จะเป็นใจที่มาจากพระเจ้าด้วย แต่สิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าคิสเซนจานวนไม่น้อยไม่ได้รักษาพระคําของพระเจ้าเหมือนแก้วตาของเราและไม่พอเรายัางละเลยของพระเจ้าละเลยพระคาของพระเจ้าไม่ได้มัดมันไว้ที่นิว้วและไม่ได้เขียนมันไว้ที่ใจเราละทิ้งพระวจนะคาของพระเจ้าให้เป็นเหมือนหนังสือศาสนาเล่มหนึ่งที่เราอยากจะหยิบอ่านก็หยิบเราไม่อยากหยิบเราก็ทิ้งมันเอาไว้ เราไม่ได้เอาใจใส่ในการที่จะศึกษาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อาจจะด้วยสาเหตุหลายประการแต่สาเหตุหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาพอที่จะนั่งลงแล้วก็ศึกษาพระคำของพระเจ้ามีนักประกาศท่านหนึ่งชื่อว่าจอร์จมอร์เรอร์ท่านเป็นนักประกาศแล้วก็เป็นผู้อานวยการบ้านเด็กกำพาแอชลีย์ดาวที่บริสตันประเทศอังกฤษ ท่านอ่านพระคัมภีร์กว่าร้อยรอบท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าเวลาเวลาเหล่านั้นมันคือเวลาที่ศูญย์เปล่าเพื่อนหลายคนของข้าพเจ้าเคยพูดกับข้าพเจ้าว่าฉันมีหลายอย่างที่จะต้องทำฉันมีหลายคนที่จะต้องพบเจอในแต่ละวันฉันไม่สามารถจัดเวลาในการที่จะศึกษาพระคัมภีร์ได้หรออาจารย์มูลเลอกกร์กล่าวว่า มีไม่กี่คนหรอกในโลกนี้ที่มีสิ่งที่ต้องทำมากกับขับมากเท่ากันกับข้าพเจ้าเพราะกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาไม่มีสักวันเดียวที่ข้าพเจ้าไม่ต้องทำงานกว่าสี่ปีข้าพเจ้ามีจดหมายกว่าสามหมื่นฉบับที่ผ่านที่ข้าพเจ้าต้องตอบและข้าพเจ้าอ่านทุกฉบับในฐานะศิษย์พิบาลข้าพเจ้ามีสมาชิกหนึ่งพันสองร้อยคนที่จะต้องดูแล นอกเหนือจากงานเหล่านี้แล้วข้าพเจ้ายังต้องดูแลบ้านเด็กกำพร้าห้าแห่งนี่ยังไม่นับงานเขียนงานสำนักพิมพ์ที่มีหนังสือหรือมีงานเขียนกว่าหมื่นหมื่นเล่มที่มันจะต้องที่ข้าพเจ้าจะต้องตรวจแต่ข้าพเจ้ามีเวลาสำหรับพระเจ้าและพระคําของพระองค์เสมอและสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากพระคําของพระองค์คือสิ่งมหัศจรรย์ประจำวันของข้าพเจ้า ตลอดชีวิตของจอรชมิลเลอร์ท่านดูแลเด็กกำพร้ามากกว่า 10,024 คนและเด็กทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีรวมถึงท่านได้รับรวมถึงเด็กเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดีมากท่านก่อตั้งโรงเรียนกว่า117โรงเรียนและโรงเรียนเหล่านั้นเน้นสอนพระคําของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเบียดเบียนเวลาของเรา เพราะความเป็นจริงแล้วเวลาในชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราเองต่างหาที่เบียดเบียนเวลาของพระเจ้าไปด้วยธุระต่างๆมากมายที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันของเราจนเราแทบจะไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าทุกวันนี้โลกหมุนรอบตัวเราหรือตัวเราหมุนรอบโลกของพระเจ้าหากชีวิตของเราหมุนรอบโลกของพระเจ้า พระเจ้าเป็นแกนกลางในชีวิตของเราและเราเอาชีวิตเราแวดระวังด้วยพระคําของพระเจ้าการดําเนินชีวิตของเราก็จะดําเนินชีวิตด้วยมาตรฐานของพระเจ้าและนี่คือนี่จําเป็นที่จะต้องเป็นเป้าหมายที่สําคัญสําหรับชีวิตของผู้ที่เชื่อและศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเราคือแก้วตาของพระเจ้าและพระเจ้าก็ปรารถนาที่จะให้เรามีชีวิต รักชีวิตของเราเหมือนที่พระเจ้ารักเราและวิธีเดียวที่เราจะเห็นชีวิตแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าเห็นคือการที่เราจะต้องสวมพระคำของพระเจ้าอ่านพระวจนะคาของพระเจ้าหรือเอาพระวจนะคาของพระเจ้าเป็นดั่งแก้วตาของเราด้วยประการที่สอง พระวจนะคาของพระเจ้าถ้าพระวจนะคาของพระเจ้าเป็นแก้วตาของเรามาตรฐานในชีวิตของเราก็จะอยู่บนมาตรฐานของพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตอยู่ในสมัยที่ศีลธรรมของมนุษย์นั้นเนี่ยเป็นศีลธรรมที่ตกต่าเราไม่สามารถใช้มาตรฐานของโลกเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตของเราได้อีกต่อไป เพราะว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่พร้อมจะทําผิดศีลธรรมโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกผิดเลยเราเห็นตัวอย่างมากมายทุกครั้งที่เราเปิดหน้าหนังสือพิมพ์เราจะเจอเรื่องแ yeah ย่มากกว่าเรื่องดีทุกครั้งที่เราเปิดโทรทัศน์เราก็จะเจอเรื่องแ yeah ย่มากกว่าเรื่องดีและยิ่งทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลก เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีกําลังใจที่จะดาเนินชีวิตอยู่และนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสมัยยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่สื่อออนไลน์รวดเร็วและมันไรข้อจํากัดมากเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสสามารถนำเราไปสู่โลกที่เราไม่รู้จักได้และเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นระบบดิจิทัลทีวีดิจิทัลทุกอย่างดิจิทัลหมดไม่ต้องมีการเซนเซอร์ใดๆอีกต่อไปเราเข้าไป U ท หรือว่าเราเข้าไปในทีวี YouTube หรือทีวีดิจิตอลณปัจจุบันนี้คือใครอยากจะพูดอะไรก็ได้ด้วยภาษาแบบไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเซนเซอร์ฉันแล้วเนี่ยทุกอย่างในโลกออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยเนื้อหาทุกอย่างมันจะรุนแรงมันรุนแรงทางร่างกายและรุนแรงทางอารมณ์ ลูกหลานของเรารวมถึงตัวเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ลูกหลานของเราก็เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมแบบนี้เช่นเดียวกันถามว่าทุกวันนี้เวลาที่ลูกเราอยู่กับคอมพิวเตอร์ iPad หรือโทอรศัพท์มีใครสักกี่คนที่นั่งเฝ้าว่าเขาไปที่ไหนเข้าไปในเว็บไซต์อะไรไม่มีใครนั่งเฝ้ารวมแม้กระทั่งตัวเราเองเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ท, ทุกอย่างมันอยู่ในมือของเรา โลกที่ไร้ออนไลน์โลกที่ไร้ความจำกัดอยู่ในมือของเราอยู่ในบ้านของเราอยู่ในห้องนอนของเราและเรารับสื่อเหล่านี้ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่เราเข้านอนและถามว่าเราดาเนินชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถที่จำกัดสังคมของเราได้รวมถึงลูกหลานของเราได้ในพระธรรมสรุดีบทที่หนึ่งร้อยสิบเกข้อที่เก้า หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะคําของพระเจ้าเป็นเหมือนวัคซีนแห่งชีวิตและเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดการปลูกฝังลูกหลานเราด้วยพระวจนะคําของพระเจ้าจึงเป็นเครื่องป้องกันชีวิตที่ดีที่สุดและเราจําเป็นที่จะต้องรักษาและสะสมสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเรา ไม่ใช่เฉพาะการปลูกฝังลูกหลานเราเท่านั้นแม้แต่ตัวของเราเองก็จําเป็นต้องสะสมพระคำของพระเจ้าเราเองจําเป็นที่จะต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราส่งลูกหลานของเราเข้าเรียนระวีวรศึกษาแต่พ่อแม่ไม่ได้เรียนระวีวรศึกษาเพราะวันหนึ่งลูกหลานของเราจะเข้าใจพระวจนะคาของพระเจ้ามากกว่าเราและเมื่อเขาหันมาถามเรา เราจะอธิบายพระวจนะคําของพระเจ้าให้ลูกหลานเราได้อย่างไรถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ได้ศึกษาพระคําของพระเจ้าอันที่จริงแล้วเราทุกคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ที่ติดตามพระคริสต์หรือคริสเตียนเราต้องมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา2ทิโมธีบทที่สามข้อที่สิบสี่ถึงข้อที่สิบเจ็ดฝ่ายท่านทัน้งหลายจงดําเนินต่อไปถึงสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้แล้ว และได้เชื่ออย่างมั่นคงท่านก็รู้ว่าท่านได้เรียนมาจากผู้ใดและตั้งแต่เด็กมาแล้วที่ท่านได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถสอนท่านถึงความรอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้า จะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระคำของพระเจ้าที่เราเติบโตเราที่เป็นลูกหลานคริสเตียนหรือเราที่เป็นผู้ที่เชื่อและศรัทธานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนต่างต้องผ่านการศึกษาพราะวจะนะคำของพระเจ้ามาแล้วด้วยกันทุกคนแต่เมื่อวันที่เราได้มีโอกาสศึกษาเราใกล้ชิดแต่วันเวลาผ่านไปชีวิตเราอาจจะออกห่าจากพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อย แต่พระคัมภีร์สองที่โมทีตอนนี้เนี่ยบอกเราว่าท่านเติบโตมาอย่างไรจงดำเนินตามนั้นต่อไปรักษาความเชื่อให้มั่นคงและเอาพระคำพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินชีวิตหรือตั้งมั่นอยู่ในพระคำของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นแผนที่แห่งชีวิตยิ่งเราใข้ควรพระคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่พระคเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลในชีวิตของเรา พระวจนาคำของพระเจ้าเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่เอาไว้วัดชีวิตของเราและนอกจากเป็นไม้บรรทัดแล้วพระวจนาคำของพระเจ้ายังเป็นมีดที่เอามาตัดแต่งชีวิตของเราพระคัมภีทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์เพื่อจะสอนและตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นและเป็นการอบรมเราในทางทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ที่คนของพระเจ้า พ ร, พร้อมที่จะกระทําการดีทุกทุกอย่างเวลาเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราไม่ได้อ่านพระคําของพระเจ้าเพื่อจะมาปรับใช้ในชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราอ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อจะปรับชีวิตของตัวเองให้เข้าไปใกล้กับพระคำของพระเจ้ามากขึ้นไม่ใช่เลือกเอาพระคัมภีร์เราชอบข้อไหนเราก็เอามาใช้เราไม่ชอบข้อไหนเราก็ทิ้งมันไป นี่ไม่ใช่วิธีการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราต้องปรับตัวของเราให้ใกล้กับพระวจนะคำของพระเจ้าอันไหนที่เรายังทําไม่ได้เราอ่านไปแล้วบางครั้งเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บจี๊ดในหัวใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระวจนะคำของพระเจ้ากําลังตัดแต่งชีวิตของท่านอยู่และเอาพระวจนะตอนนั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตของเราเพื่อว่ามาตรฐานของพระเจ้าจะเป็นมาตรฐานของเรา เราจะดำรงชีวิตอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าวิธีการเราจะถาม่าแล้ววิธีการอ่านพระก็มีและศึกษาพระก็มีให้เข้าใจมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอ่า น, นผ่านๆมาตินลูเธอร์ได้อธิบายวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ของท่านท่านอธิบายว่า <c oughs> วิธีการอ่านการศึกษาพระคัมภีร์ของข้าพเจ้าเหมือนการเก็บแอปเปลิลตอนแรกข้าพระเจ้าจะเขย่าทางต้น ลูกไหนที่สุกมากมมันก็จะตกลงหลังจากนั้นข้าพเจ้าจะเขย่าแต่ละกิ่งต่อมาข้าพเจ้าจะเขย่าแต่ละก้านข้าพเจ้าจะเขย่าแต่ละแขนงและข้าพเจ้าก็จะเปิดดูแต่ละใบข้าพเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าเวลาศึกษาพระคำของพระเจ้าทางเล่มเหมือนกับการเขย่าต้นแอปเปิ้ลจากนั้นการศึกษาพระคัมภีร์คือการเขย่ากิ่งคือการศึกษา แต่ละพระธม์แต่พัทธมแต่ละเล่มจากนั้นข้าพเจ้าจะเขย่าขนงคือการจดจ่อไปในแต่ละบทแต่ละตอนการเปิดดูแต่ละใบคือการศึกษาอย่างละมัดระวังในแต่ละย่อหน้าแต่ละประโยคเพื่อข้าพเจ้าจะเข้าใจพระคาของพระเจ้าและความหมายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละถ้อยคำนั้นถ้อยคำของพระเจ้าที่ปรากฏในหนังสือแต่ละเล่ม มันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้าแต่เพื่อประโยชน์ของเรา<ม>เพื่อประโยชน์ในชีวิตของเราพระคัมภีร์ทุกตอนมีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตในโลกนี้และเป็นกำลังใจเป็นทั้งคำสั่งสอนคำตักเตือนเพื่อให้มนุษย์พร้อมในกา ร, รเผชิญกับสถานการณ์ทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้จริงๆเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ให้พระคัมภีร์ต่อว่าชีวิตเราดีกว่า ให้คนอื่นต่อว่าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าต่อว่าคริสเตียนที่มีความเชื่อว่าเขาไม่เห็นจะมีชีวิตเหมือนกับพระคำที่เหมือนกับพระคัมภีร์หรือเหมือนกับสิ่งที่เขาเชื่อเลยสิ่งเหล่านี้มันเจ็บในชีวิตของเรามากกว่าแต่เราเวลาที่เราอ่านพระวจนะคาของพระเจ้าและให้พระวจนะคำของพระเจ้า ตัดแต่งและตักเตือนว่ากล่าวเราและเราปรับปรุงชีวิตของเราในแต่ละวันเพื่อว่าเราจะพร้อมที่จะเผชิญกับทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตเราไม่รู้ว่าในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสิ่งใดใดบ้างฉันการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของอาจารย์หรือผู้รับใช้เต็มเวลาที่ให้เขาศึกษาและเดี๋ยวเขาก็มาสอนเราเราไม่จาเป็นต้องอ่านเอง จริงๆแล้วใ น, นพระคัมภีร์เปรียบเทียบว่าเมื่อเราโตแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่ราต้องกินอาหารอ่อนอีกต่อไปเมื่อเราโตเติบโตในพระเจ้าแล้วเราแต่ละคนมีความพร้อมในการที่จะศึกษาและอ่านพระคัของพระเจ้าในแต่ละวันในชีวิตของเราเสมอไม่มีความจะเป็นว่าทุกคนต้องไปโรงเรียนพระคัมภีร์เพื่อที่จะเข้าใจพระวจะนะคำของพระเจ้าแต่ถ้าเราเริ่มไข้ครวญและศึกษา แต่ละบทแต่ละตอนแต่ละท้อยคําค่อยๆ อ, อ่านค่อยๆเป็นค่อยๆไปข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าถ้าจิตใจของท่านมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาพระคําของพระเจ้าพระเจ้าจะเทพพรและให้สติปัญญาเราที่เราจะมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าใจพระวจนะคาของพระเจ้าในแต่ละตอนและในแต่ละวันที่เราอ่านมนุษย์คือแก้วตาของพระเจ้า และพระวจนะคำของพระเจ้าก็เป็นเหมือนแก้วตาของเราขอให้เราสวมชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะมองเห็นชีวิตของเราเหมือนกับที่พระเจ้ามองเห็นและเพื่อเราจะมีมาตรฐานในชีวิตของเราเหมือนมาตรฐานของพระเจ้าอย่าให้ชีวิตของเราห่างจากพระคำของพระเจ้าเลยเพราะพระวจนะคำของพระเจ้าคือทางที่นำเราเข้าใกล้พระไทยของพระเจ้ามากขึ้น และมีคำเขียนเอาไว้ว่าพระคัมภีร์คือหน้าต่างแห่งโลกนี้ที่ส่องให้เรามองเห็นชีวิตนิกรันขอให้ชีวิตของเราอยู่ใกล้พระคําของพระเจ้าและขอให้พระคําของพระเจ้าเป็นเหมือนแก้วตาของเราขาพระเจ้าอวยพรค่ะ